ความฝันประเภทที่สี่ปพานิมิตความฝันที่เกิดจากวิบากของตนบรรดาใี่เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าความฝันประเภทนี้จะออกมาในรูปของสั ญ, ญลักษณ์หรือออกมาเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องแปลความหมายเช่นตัวอย่างจากพระตาปิฎกในเรื่องพระนางสิริมหามายาพระพุทธมาดาทรงสุบินเห็นช้างเผือกขาวพอง เข้ามาในห้องบรรทมซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าพระนางทรงตั้งครรภ์อย่างนี้เป็นต้นความฝันในลนนักษณะนี้เหมือนกับความฝันข้อที่สคือเทวดาสังหรณ์อยู่อย่างหนึ่งคือเป็นความฝันที่ประทับใจจำได้นานนับเป็นปีปีหรือบางคนอาจจะจำได้จนตลอดชีวิตไม่ว่าจะนึกขึ้นมาเวลาไหนภาพในความฝันก็ยังปรากฏชัดเจนเสมือนหนึ่งเพิ่งจะตืนขึ้นมาจากความฝัน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 ถ้าท่านเข้าใจหลักอันนี้ท่านก็จะไม่ประหลาดใจเลยว่าทำไมมนุษย์จึงคิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้และควรจะทราบไว้ด้วยว่าความสามารถของวิญญาณที่มีมาตั้งแต่กำเนิดและยังไม่ได้นำออกมาใช้ยังมีเหลืออีกมากมายเพราะฉะนั้นมนุษย์ยังจะคิดสร้างอะไรต่ออะไรได้ดีกว่านี้อีกมากความสามารถภายในของวิญญาณ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 ตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถภายในของวิญญาณซึ่งทุกคนก็ได้มีอยู่แล้วมาตั้งแต่กำเนิดตึงทราบว่าอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากเมื่อใดความฝันในลักษณะที่เป็นนิมิตนี้เกิดขึ้นก็หมายความว่าถึงคราวที่วิบากอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในสันดานจะต้องให้ผลซึ่งอันที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา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 และอำนาจที่ว่านี้ก็เกิดจากการกระทำของต้นไม้ที่สะสมเอาไว้ในอดีตและสืบต่อกันมาโดยลำดับโดยปกติความฝันในจำนวนร้อยเรื่องหรือพันเรื่องจะมีเรื่องจริงสักเรื่องหนึ่งก็ทั้งยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จานานในการสังเกตความฝันจริงๆแล้วก็ข อ, อย่าได้ด่วนตัดสินง่ายๆว่าความฝันเรื่องนี้หมายความอย่างนั้น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 รอคิดอย่างนี้สบายใจมากกว่าและปลอดภัยดีกว่าด้วยเพราะจะไม่กลายเป็นคนงมงายหรือทำอะไรโดยไม่มีเหตุผล